พระธรรมเทศนาแผ่นที่7จดลำดับที่สองโดยหลวงพ่ออินทายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่14ตุลาคม2557มีชื่อเรื่องว่าไก่อยู่ในกรงวันเห้รด้สึกว่า อากาศเย็นนะตอนเช้านะการณ์สัทธาญ า, าติโยมลูกลานตอนเช้าลงมาจากกุฏิออกมาจากกุฏิก็ยังไม่เย็นเท่าไหร่พอมาทางเดินจงกลมนะตอนเช้าหลวงพ่อถ้าไม่มีอะไรก็เดินยังกลมก็นหน่อยหนึ่งก่อนจะลงมาศาลาโอ้ไม่ได้เลือกพระเลยพระพระเอาผ้าจีวรมาให้หลวงพ่อหน่อยนะโอ้ไม่ไหวหนาวมีเช้านะึ่งรู้สึกว่าเย็นจะเข้าอากาศ จะเข้าสู่อากาศหนาวแล้วนะวัดของเราเริ่มเริ่มเริ่ ม, เ ร, มเริ่มเย็นแล้วแต่เมื่อเช้าเนี่ยก็ไปบินทบาทชาวบ้านนาคังใส่าบาททุกวันถ้าตัวเขาไม่ใส่บาทก็ลูกใส่บาทพวกลูกครอบครัวใส่บาททุกวันทุกเชา้าแต่ไปเมื่อเช้าเนี่ย ตายแล้วมรณะอายุก็ประมาณห0สิบกว่านี่มั้งผู้เฒ่าเนี่ยเป็นแม่บ้านจะทำยังไงได้เป็นมะเร็งเนี่ยเป็นมะเร็งการรักษามานานพอสมควรไปโรงพยาบาลไปศรีนครินไปสูตรมะเร็งคำว่าเล็ ง, เ, เ, ขาา เ, ลงเขาเล็งเป้าใ่แล้วนะ มันไม่พลาดถ้าเต้นเล็งใส่คนไหนแล้วก็เตรียมพร้อมไว้เลยล่ะจะทำยังไงได้เกิดแก่เจ็บตายเห็นแล้วมันมีแต่ปลงตกอันนี้รปะว่าเทวทูตมาบอกบอกกล่าวอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเนอะ เดี๋ยวคนหนึ่งไปเดี๋ยวคนหนึ่งไปอย่างหลวงพ่อได้พูดในเอ็มพสาที่หลวงพ่อไปเที่ยวทุดงจังหวัดเลยไปเห็นแม่ค้าส้มตำ่ำสมัยนั้นเขาไม่มีไก่ตลาดใช่ไหมโดยมากเขาไก่เอาสดๆดร้อนๆเลย ไก่ขนาดวัยรุ่นถ้าเป็นคนก็ประมาณสัก11 12 13ปีเนี่ยนะกำลังไก่รุ่นๆเขาซื้อมาแล้วก็ใส่กังขังใส่กรงเอาไว้ใส่กรงใกล้ๆนะจะนั้นก็ส่วนตัวอื่นเขาก็คงจะทำมาจากในบ้านย่างมาจากในบ้านแล้วก็ขายส้มตำกับ ตำส้มมะขุงอาหารเริดรถอีสานฮะตอนนี้หลวงพ่อก็นั่งรถบาทมาจากในป่ามาจากอำเภอทางภูเรือนเรามาผ่านแถวนะแถวจังหวัดเลยนะรถบัสเขาก็จอดตอนเที่ยงคนก็หลังหลายลงไปกินข้าวคนก็หลังเข้าไปใน ตำสมขุ่ ง, งตำสมละกอนะยายเนี่ยก็ขายตำสมละกอกับปี๊งไก่ไก่ย่างพอขายเสร็จแล้วมันมดเปี๊ยงไก่มดนะเราก็นั่งอยู่ข้างๆรถรถบาสนะเดีนั่งเราไม่ได้ไปทานอาหารที่ไหนเราไปนั่นนะเป็นพระไปโยมก็ไม่มีอีกต่างหากแล้วก็นั่งพอตะแยงตะแก่ขาย ปลี่ไก่หมดแล้วตอนนี้ก็ให้คนอื่นต่ําส้มรอกอแทนพวกคนมันลงไปกินอาหารเยอะแม่ค้าก็ลงไปเอามือล่วงลงไปในกรงกรงขังไก่ไก่รุ่นไก่รุ่นรุ่นพอคว้าขึ้นมาเสียแล้วก็เชื่ดคอโยนเกิดมาก็เชื่ดคอโยนเกิดมาเชื่ชดคอโยนสี่ห้าตัวไก่เน้นติ้นๆๆๆๆๆเพราเชื่ดคอเนี่ยเจ้านั้ น, ก, ก, ก, ก, ก, ก, นก็เอา โยนลงไปในน้ำเถอนขนถอนขนกับไฟลนหนังเกียวแล้วก็มาพาท้องแล้วก็มาย่างอีกขายขายเพื่อกินกับตำส้มคู่แต่ได้จำนวนไก่ที่ยังเหลืออยู่อยู่ในกรงนะมันยังเหลืออยู่ยายเนี่ยก็เอาข้าวโปรยๆปย ล, ล, ล, ลงไป จำนวนนั่นก็กินกินข้าวนะทั้งกินทั้งเตะทั้งทีบทั้งอะไรมนอกยอกแยกกันอยู่ในอนะสนุกสนานอยู่ในกลงนะหลวงพ่อก็เห็นนะอปรงทำสลดใจปรงทำสังเวชในใจ ม, มันเหมือนกับมนุษย์โลกพญายมมาทูตเขาเอาไปเป็นคนคน ผู้ที่ตายไปแล้วก็นนะ่ะก็เหมือนกับไก่ที่มาเป็นอาหารกับส้มตํำเขาตัวที่ตายไปไอตัวที่ยังอยู่ก็นนะสนุกสนานอยู่ในกรงจิกตอดต่อยกันจิกกันลอ้อจิกจ้าแกลทั้งกินด้วยทั้งกินอาหารด้วยทั้งเตะกันด้วยอยู่ในนั้นนะสนุกสนานไอแต่ถึงยังไงเลยอีกสักวันหนึ่งอีกไม่นานนะเออ พยามัจจุราชคงจะลงไปคว้าคอเชิดค อ, ออีกโจนออกมาอีกเป็นตัวตัวไปมาพิจารณาดูแลก็เลยเกิดความสลดในจิตใจสัพพสัตที่เกิดมาในโลกเนี่ยไม่มีใครที่จะหลีกลีหนีพ้นไปเพราะอยู่ในกลงพยามัจจุราชจะคว้าได้ตัวไหนก่อนตัวไหนหลัง ถ้าใดตัวไหนก่อนก็เชือดคอตันนั้น ต, ตัวตัวอื่นก็ไม่คิดว่ามัจจุราชจะมาถึงก็สนุกสนานต่อไปมันเหมือนกับพวกมนุษย์ของเราที่ยังไม่ถึงคราวตายขนาดกระโดดโลดเต้นทั้งร้องทั้งรําสนุกสนานมักใหญ่ไฟสูงข้าก็จะคิดว่าจะเป็นใหญ่ทั้งหมดขว่ากไคๆดวยลาบดวยยศ ด, ดวยเซิเร์น ผลทสูกันนอีกสักวันหนึ่งพระยามัโจโรราชที่มองไม่เห็นตัวน่กระชากไปทีละคนละคนละคนอย่างพวกเราทัดตั้งหลายเห็น เ, เจ๋งไมที่หลวงพ่อโูดพิจารณาดูนะอันนี้เป็นแนวความคิดนะสรุปแล้วคือไม่ให้ตั้งอยู่ในความประมาทสรุปแล้วนะวันนี้เป็นวันที่14ตุลาคมพุทธศักราช2005 157ห้าเจ็กระถินของเราวันที่ส2บสองที่ผ่านมาวันนี้เป็นวันที่14บนสะกระถินของเราก็ผ่านไปเรียบร้อยก็จะตก ป, ปัจจัยก็นั่นนะตเตรียมพร้อมที่จะสร้างเพื่อสร้างเจดียนะ์พิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาแต่ได้มากได้น้อยก่อนะเราก็ไม่ได้ ร้อนอกร้อนใจอะไรนะคณาธิายาติโยมลูกหลานพอเป็นค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเมื่อเช้าเมื่อวานเนี่ยหลวงพ่อย้ําอีกเพราะพวกที่มาวันนี้ก็ที่ไม่ได้ม า, ม า, านเนมื่อวานนี่ก็มีเพราะนั้นหลวงพ่อจึงย้ําให้รับรูบร้ ร, รับทราบแต่ทึงยังไงก็ให้อยู่ในกรอบของหลักพระธรรมวินัยอยู่ในกรอบของศีลธรรมอย่าตั้งอยู่ในความประมาท อย่างที่หลวงพ่อได้พูดเปรียบเทียบเรื่องไก่อยู่ในเล้าในกรงเป็นอาหา ร, อ, ารอร่อยกับส้มตาของเขาพวกเรานะอยู่ในลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านทำอะไรคิดอะไรให้รอบคอบในหลักพระธรรมวินยัยอยู่ในกรอบของศีลธรรม จริยธรรมจริยธรรมที่ดีในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธทเจ้าท่านพูดตรัสเอาไว้ว่าดูก่อนพุทธบริษัทผู้ที่จะยกยอเชิดชูบูชาศาสนาของเราตถาคตก็คือพุทธบริษัทสีนี่แหละถ้าหากว่าผู้ที่จะทำลาย ศา ส, สนาหรือว่าทำลายวงการของเราก็คือพุทธบริษัทสี่นี่แหละนีสรุปแล้วก็คือพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าเนี่ยทั้งเชิดชู ด, ด้วยทั้งทำลายด้วยถ้าคนอื่นทำลายพวกพุทธบริษัทยังยืนหยัดอยู่มันทำลายไม่ได้นะแต่ถ้าว่าพุทธบริษัทอยู่ด้วยกันอยู่ข้างไหนด้วยกันทำลายกันแปลว่าทำลายแบบย่อยยับเลยเพราะว่ามัน ถ้าคนโบราณเรียกว่าคพังเพยของเราคือว่าไส้เกิดเป็นหนอนลักษณะอย่างนั้นแต่ทั้งยังไงก็ตามขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านถ้าเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมกรรมคือการกระทําทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วแล้วนะสิ่งนี้ที่มันไม่ชั่วที่สิ่งนี้ที่มันชั่วนะเราทําไปเพื่ออะไรเราหวังอะไร ต้องการอะไรคิดว่าตัวเองจะไม่ตายอย่างนั้นใช่ไหมถ้ามันผิดเราจะไปเก็บไว้ก็ไม่ได้ต้องว่าตามผิดมันผิดจะว่าถูกได้ยังไงในเมื่อถูกเราจะไปถูกได้ยังไงเราจะว่าผิดได้ยงไงเมื่อมันถูกเราก็ต้องว่าตามถูกนี่แหละให้พวกเราเป็นผู้เชื่อกำรรเชื่อผลของกรรมถ้าว่าเราไปอิจฉ้าเขา ทั้งที่เขาทูกไปอิจฉาเขานะอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเมื่อวานเนะทวดาไปอยู่ชั้นสวรรค์ไปอิจฉาคนอื่นความอิจฉานี่จะทำให้ตัวเองตกหล่นจากสวรรค์ได้เหมือนกันเพราะอะไรเพราะความอิจฉาอย่างพญามันตรุชพระอินทร์แบ่งสวรรค์ชั้นดาวฤกษ์ให้ครึ่งหนึ่งพอต่อมาโลภอีกภปษาอะไรวะ เรามาครองสวรรค์เพียงเพียงครึ่งเดียวนะถ้าเราฆ่าพระอินทร์ซะเราจะเอาทั้งสองทั้งชั้นเลยนะไม่ดีกว่าเลยนะขนาดขึ้นไปอยู่บนสวรรคนะ์กิเลสมันไม่ได้เลือกที่ไหนนะปณิสุขกรร็เลยคิดวางแผนฆ่าพระอินทร์แต่มันฆ่าไม่ได้ทนะี้เพราะว่าคนเกิดบนสวรรค์เป็นบุญของใครของเรานะแต่ความอิดฉาของพญามันธาตรุราชเนะี่ย คิดจะฆ่าพระอินทร์เพื่อจะครองสวรรค์ทั้งชั้นคนเดียวผลที่สุดก็เลยตกลงมาจากสวรรค์เพราะบาปกรรมอย่างที่วาดความอิจฉาก็ตกสวรรค์ได้คนหมดบุญกตกสวรรค์ได้คนลืมทานอาหารบนสวรรค์สนุกสนานเกินไปก็ตกสวรรค์ได้มีหลายอย่างวิห้าหอย่างแต่หลวงพ่อจําไม่ได้ผลที่ตกจากสวรรค์ นี่ก็เหมือนกันนั่นแหละพวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทอย่าตั้งอยู่ในความอิจฉาพยาบาทให้ตั้งอยู่ในความเมตตาเมตตากรุณามุทิตาอุเปกขาให้อยู่ในจิตใจของพวกเราถ้าพวกเราไปอยู่ในสถานที่ใดคนที่มีเมตตากรุณามุทิตาจะมีความสุขแต่ก็แปลกส่วนหนึ่งหลวงพ่อมาพิจารณาดูแล้วว่า ธรรมะของพระพุทธเจ้านะั้นยังมีอุเปกขานะแต่ไม่จริงอุเปกขานะี่ยไปวางวางเฉยนะจุดนี้เนะี่ยแต่พวกเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ยินวเมตตากรุณาโมทิตาก็ยิม้มแต่คำว่าอุเปกขาคํานี้นะนะท่านจะต้องมองดูว่าชิงไหนที่จะช่วยได้ช่วยไม่ได้ถ้าจริงนะที่ช่วยไม่ได้ท่านก็ต้องวางอุเปกขาไม่ยินดี ไม่ดีใจไม่เสียใจเมื่อผู้อื่นถึงคราววิบัติอันนี้ก็คือหลักธรรมคาสอนเพราะฉะนั้นทั้งมีทั้ ง, ท, งทั้งปล่อยวางด้วยทั้งยินดีด้วยทั้งเมตตาด้วยทั้งแสดง ช, ช, ช, ช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์อนุเคราะห์ด้วยนี่แหละหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาสรุปแล้วคือให้ใช้ปัญญาใช้ปัญญาความรอบคอบ ในสุขสิ่งทุกอย่างอันนี้ควรยังไงอันนี้ควรยังไงมิควรอย่างไรเหมาะสมยังไงไม่เหมาะสมยังไงถูกต้องอยังไงไม่ถูกต้องอย่างไรมองสูงมองต่ำมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังมองให้รอบด้านมองให้รัวรอบขอบชิดถ้าใครเขาตามาใช้ปัญญาในการเป็นอยู่ไปอยู่ในสถานที่ใดก็จะเอาตัวรอดได้ มองมองตัวเองให้ดูตนเองให้เห็นตนเองจะได้วางแผนชีวิตของเราเราจะเดินอย่างไรเราจะเดินไปอย่างไงในอนาคตถ้าเราตัวเราเองไม่รักตัวเองไม่มองตนเองไม่วางแผนชีวิตของตนเองแล้วใครจะเป็นคนวางให้จะให้พ่อแม่พี่น้องปงสาคณะญาติ วางให้อย่างนั้นใช่ไหมไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นตัวเองเป็นอันดับแรกต้องวางเราควรจะเก็บยังไงเก็บหอมพร้อมริบยังไงควรจะช่วยเหลือชุมชนยังไงควรจะช่วยพ่อแม่อย่างไรควรจะช่วยเหลือชุมชนสังคมอย่างไรสิ่งเหล่านี้มันต้องรู้จักประมาณรู้จักการวางแผนชีวิตของเราชีวิตของเราก็จะราบรื่นอ ไม่มีอุปสรรคเพราะนั้นขอให้ฝากไว้กับพวกเราทุกๆท่านนะลูกหลานทุกคนผู้ที่ลาสิกขาไปแล้วเมื่อวานก็ดีหรือ ว, ว่าลูกหลานทุกคนที่ได้ยินก็ดีหรือได้ยินเพ็บได้ยินคำพูดของหลวงพ่อก็ดีหลวงพ่อไม่ได้จับจำเพาะเจาะจงกับผู้ใดใครผู้หนึ่งฮะเป็นคำพูดที่ว่าเป็นหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา เป็นทังหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่สุดแท้แต่ใครท่านผู้ใดจะนำมุมไหนเรื่องไหนคําพูดไหนคําตรัสไหนของพระพุทธเจ้าของพระรหัสทศพของพ่อแม่ครูบาอาจารย์จะมาบอกกล่าวให้กับพวกเราเพื่อได้เรียนรู้เพื่อการศึกษาถ้าพวกเราได้ศึกษาเรียนรู้แล้วก็ น, ะนำไปประพฤติปฏิบัติเป็นสมบัติของตนเอง เหมือนกับท่านวางไว้ก็เหมือนกับสิ่งที่มีคุณค่าสิ่งที่มีประโยชน์แต่เมื่อเราได้นำสิ่งที่มีคุณค่าสิ่งที่มีประโยชน์มาปรปับปรุงแก้ไขกายว่ายใจยใจของเราก็เป็นสมบัติของเราอย่างหลวงตามหาบัวท่านเทศไว้ในเอ็มพสามก็ดีในทมคำสอนในหนังสือก็ดีแล้วหลวงตาท่านได้อะไรจากพวกเรา เราคิดอู่ที่ท่านได้อะไรในเมื่อเรานํามาประพฤติปฏิบัติก็เป็นสมบัติของเราเรามีประโยชน์เราลดเราได้คุณค่าถ้าพวกเราได้มาแล้วก็ไม่ลเลยถึงพระคุณของท่านเลยจบไปเฉยไปแต่ผู้มีพระคุณผู้มีปัญญาก็เออที่เราได้ความรู้ความฉลาดมามาปลดปฏิบัติในชีวิตประจําวันของข้าเนี่ยก็ด้วย ความคิดขององค์หลวงตาที่ที่ท่านแนะนําสั่งสอนจากนั้นก็ยกมือทั่วหวัวซาตุขอากล่าวไหว้สักการะบูชาพระคุณขององค์หลวงตาเนอะนี่นึกน้อมในใจอย่างพวกเรานึกน้อมถึงพระพุทธเจ้านีพระพุทธเจ้าได้อะไรจากเราท่านจตุตินิรพานไปแล้วแต่พระธรรมคําสอนของท่านนยวางไว้ เ, เรานํามาประพฤติปฏิบัติ พวกเราได้รับความสงบพร่อมเย็นเป็นสุขเพราะพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าจากนั้นมีแต่ผู้ที่รู้พระคุณก็มีิเภกซาทุข้าบจเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นก็เพียงแค่นั้นแหละเอเป็นหน้าที่ของพวกเราเนะลึกถึงแต่ผู้ที่ส่งเสริมและเป็นผู้ทําลายกับพุทธบริษัทยอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าว บุญนั้นก็ให้พวกเราทุกๆท่านนะต้องใช้จิติใช้ปัญญาใช้ความรอบคอบทุกอย่างในการดําเนินชีวิตของพวกเราพวกเราจะราบรื่นไปด้วยดีมีแต่ความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมวันนี้ก็ให้แนวความคิดกับพวกเราทุกๆท่านตอต่อหนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พอ